นามัทธุรตนัตยัตสขอถวายความนอบน้อมแด่พระตนัตไตรขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกไปก็พึงตั้งใจฟังธรรมะพร้อมกับการปฏิบัติธรรม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 ดูไปดูมาพิจารณาไปพิจารณาเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาในขณะนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาฟังแล้วเขาปฏิบัติฟังแล้วก็เจริญสติเป็นตามจึงทำให้ <c oughs> ได้ดวงตาเห็นธรรมจนั้น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 แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นตัวเป็นตนให้รู้เข้าไปถึงตัวสภาวะดูความรู้สึกในตัวคือในกายในใจเนี่ยมันจะมีสภาวะอยู่เป็นความรู้สึกความไหวนะครับสังเกตดูความไหวความกระเพื่อมความสั่นสะเทือน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 สงบออนาท้องตึงหรือหย่อนลองดูสิหายใจออกหย่อนหรือตึงหายใจเข้ารู้สึกเป็นยังไงที่โพรงจมูกเย็นหรือร้อนหายใจออกร้อนหรือเยน็นต้องอย่างรู้ที่ความรู้สึกด้วย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 ความปลุกแต่งความตรึกนึกความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจมีไหมใจขณานี้มันขุ่นวัวหรือผ่องใสใจมันเผลอัหมหรือมันรู้อยู่ตลอดเราจะสังเกตเท่าทันจิตว่าจิตมีการเผลอแผลแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเผลอแล้ว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 เครียดวุ่นวายแทนต้องไม่ไปจัดการไม่จัดแจงปล่อยเขาแสดงเขาไปตาสภาพวางใจเป็นกลางปล่อยวางเป็นปกติทำหน้าที่เหมือนผู้ดูละครและเขาแสดงบทบาทบางตอนนครเล่นไป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 กระทบร้อนกระทบเย็นอยู่ที่ตัวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดเข่าเดี๋ยวหาวนอน เ, เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิ ด, ดร้ายไม่ไวเว้นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวได้ยินดูยอกย่อนจงะระลึกรู้สึกตัวทุกขั้นตอนแล้วจะถอนตัวตนผลววภไยต้องรู้สึกตัวะระลึกรู้ตัว ทั่พร้อมในขณะนี้จิตเมื่อถูกรู้ถูกดูจิตก็เหมือนถูกจาร น, นัยเหมือนเพชรที่ถูกจารนัยน่นาก็จะใสขึ้นใสขึ้นส่งแสงแวววาวจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูกรู้ถูกดูถูกพิจารณา ทวทั้งหลายก็จะสลายหมดไปจากจิตความม่วงเหงาความผงซ่านความบุญคิด ก, ก็จะหลุดไปจากจิตจิตก็จะใสหรว่าประพัดซรจิตเดิมนครับประพัดซรอนอยู่แล้วแต่มาคุณโมวเศร้ามองเพราะมีกิเลสจอดเข้ามาจากเครือบใจเราอยู่ เรามีสติมีสัมผัสชัญญ่งยากมัก็จะค่อยชําระออกไปชําระออกไปจิตเราก็จะใสขึ้นในเวลาที่กำลังกาหนดรู้เนี่ยเหมือนในเวลามันจะระในอยู่เนี่ยถ้านิวรมันยําครอบงำอยู่มากเราก็จะต้องเพียรระวังไว้ให้ดีขณะที่กําหนดดูไปเนี่ย ถ้าดูไม่ดีมันก็จะครอบรับความห่วงดูเขาไม่ดีเขาก็จะครอบงำหลับไปด้วยกันเนี่ยเพราะนั้นมันต้องดูแบบตั้งหลับดูแบบตั้งสติตื่นตัวตื่นใจอย่าหลงลึกนะทาถ้ามันห่วงอ ย, อย่าเอาใจแน่ลงไป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 เพียตั้งหลักตั้งสติมากกว่าตามปกติดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ยต้องมีทั้งความเพียรมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะและก็ต้องมีการละ ก, การปล่อยกาน ถ้ารู้สึกค่อนข้างจะเพ่งมันจะปรากฏเป็นความเคร่งตึงถ้ามีการเคร่งเพ่งมันจะเคร่งตึงรู้ตัวแล้วก็ผ่อนตามนะสอนใจตัวเองว่าปล่อยวางนอปล่อยวางนถ้ามันตึง ใจว่าไม่เอาอะไรทั้งหมสนใจตัวเองว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรปล่อยวางปล่อยวาถ้าเอาก็หนักปรับ ก, ก็ไม่ผลวางก็เบาอาลงวางก็เบ า, าเอาก็หนักพักก็ไม่ผลทําใจกลางกลาว่างวาง่า สาสใจให้ปล่อยให้วางไว้เสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอรับรู้ดูเบาๆอย่าไม่เอาอะไรไม่จงใจจะแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองี่สุดก็หยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งจับอารมณ์หยุดใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเชนนั้นเอง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 จิตผู้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่เราเคยยดึดเยถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเราพิจารณาดูว่าจิตที่รู้รู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยดับไมรู้ลงหมดไปรู้ละหายไปเป็นกระแสที่ขาดตอ น, น่าเห็นความสลายไป ของใจผู้รู้ความเป็นอนัตตาก็จะปรากฏนะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรานะในโอกาสที่เราได้มานั่งภาวน า, าสติ ก็หมายป็นผู้ให้กำเนิดเลือดเนือชีวิตเราด้วยนะชีวิตที่เราได้มานเนี่ยเราเป็นการได้รับการแบ่งให้มาจากพ่อจากแม่เลือดเนื้อทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไทยที่พอ เราได้เอาเลือเนื้อเชือ้อไข่ันเป็นสมบัติที่พ่อแม่ให้ม า, มาทําความดีมาเจริญภาวนามาปฏิบัติก็เป็นการได้ทำกุศลให้เกิดขึ้นในสมบัติของพ่อแม่พ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของเลือดเนื้อก็จะได้พออริสงไปด้วยความสุขของความเป็นพ่อเป็น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 กำเนิดในทองแม่นั้นเราได้อสสาศัยครรนของท่านเป็นเวลาถึง9เดือนจดือนความลำบากของความเป็นแม่เป็นอย่างไรเราเป็นเราก็มีแม่เราก็มีลูกเราก็เคยตั้งครรนเราก็จะรู้สึงว่า แค่ไหนอย่างไร <c oughs> <c oughs> เมื่อสายเลือดในกายได้ก่อร่างแม่ต้องสร้างพลังใจให้เก่งกล้าสู้ทนอมลูกในครรภ์ทุกวันมาแม้อ่อนล้าเหื่อยและท้อก็ยอมทนกว่าจะคลอดลูกยาออกมาได้ แม่เจ็บเจียนจะขาดใจอยู่หลายคนพ่อก็เฝ้าระวังด้วยกังวลความสับสนหวาดกลุวในหัวใจเมลกูกคลอดปลอดภัยได้เห็นหน้าพ่อแม่ก็ยิ้ทั้น้ำตาออกมาไดา้อันความรักความหวงและหวงใ่ จะหาใครเทียบแท้พอแม่ เ, เรายามเป็นอยู่ในคันและก็ในวันที่เราคลอดออกมาเป็นวันทุกข์วันเจ็บปวดแต่บางครั้งเราก็ไปฉลองวันเกิดด้วยความสนุกสนาน ตอนเป็นเด็กทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเป็นผู้ดูแลเจ็บที่เยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ให้น้ำดมให้ดื่มกินถ้าเราไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีผู้ให้กำเดิเดย้ดูเราก็คงไม่มีชีวิตอยู่มาได้ตองตาย เพ่าเป็นเด็กไม่สามารถช่วยตวเองได้เลยแม่ต้องคอยกกประคองกอดอยู่แนบกายคอยระวังระวัยลุกพี่วันประราบประโลมปลอบปันให้ลูกนั้นได้อบอุ่นใจทุกยากลำบากลำบ น, เ, นเหน็ดเหนื่อยอดทนไม่อาทอนเจ็บภาขี้ จม่ลเดือนสน้ำสเรือนส า, นสนสาก็หนึ่งคือหนึ่งรือนครั้นอยครันบรดานอนกู้อยู่เป็นเวลาตั้งแปดเดแล้วก็เรือนตักอาศัยตักบางทีเยี่ยวอุอแม่อายใหุ้จากกของพ่อแม่เวลาเราลองขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้อง open ให้ยุงลิ้นไร่บัไตไดดอกทาแป้งหอมเจ็ดเยี่ยวขี้ทุววิ่งวันทำป้อนข้าวป้อนนาทุกมเชา้า้นำยอมแต่ตามทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์ <c oughs> ทั้งพร่ำสอนลกอูกยาสารพัน จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในมนต์สิทธิและพระเจ้ากัสว่าในโลกจะเลี้ยงพ่อแม่ไว้บนบ่าทั้งสองเป็นเวลาร้อยปีให้ขี้เดียวบนบา่าหรือแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาพระราชีได้ก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณท่านในมนต์สิจะิ์้ลาลูกคนใดอย่างพ่อแม่ไม่มีศรัทธา ศัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาระฆาให้มีจาระไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นการตอบแทนเงินสูงอย่า <c oughs> ความปรารถนาของพ่อแม่ไม่มีอะไรนอกจากความสุขความเจริญของลูกยามเป็นเท่าก็หมายเจ้าพ่อรับใช้ในสมัยพุทธกาล ผู้หนึ่งชื่อว่านันทิยะไปฟังทรรมในสนาของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาของบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอได้รับอนุญาตจะบิดามารดาบริยมอย่างพระพุทธเจ้าข้าถ้าชนนั้นเธอก็ไปขออิุญาตเสียก่อน ให้พ่อแม่อนุญาต ก, ก่อนที่จะมาบวชได้นั้นที่ยากกลับมาบอกพ่อแม่ว่าลูกจะขออนุญาตไปบวชพ่อแม่ก็ตกใจมีลูกคนเดียวมีสมบัติตะกวลใหญ่เป็นตายยังไงพ่อแม่กอคุงใหู้ พอไปโบนแล้วก็ลำบากต้องไปอยู่ปากคนไม้เมือ่อนางหารก็นำบากก็เป็นควมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกจากไป <Yeah. S 1> นั้นที่สุดนัทยาต ก, ก็เลยัดทนอดข้าวอดอนาะหารนอนไม่กินอะไรวันแล้ววันเล่เาผ่านไปสามวัน ในท่สุดพ่อแม่อดล้นทนไม่ได้เกินามรู้จะตายจำใจต้องอนุญาตอรรทญาตดีใจพ่อแม่อนุญาตก็เดินทางไปบวชท่านได้บวชเป็นพิษสุขด้ความที่ท่านเป็นลูกเศรษฐีคนรู้จักมากเพื่อนฝูงเยอะอนนั้นไปเยี่ยมคน ไม่เป็นอันประพฤติปฏิบัติท่านก็เด้เห็นว่าคืน อ, อยู่ในเมืองสงสัยไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้หนีเก็บบาตรเจวอเก็บบาตรบริคารเดินทางไปอยูป่ป่าเข้าป่าอยู่ชายแดนปฏิบัติอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1 0บ2ปีไม่เคยกลับ ไฟปีดามารดาอยู่ทั้งนี้ก็ถูกเขาโกงทรัพย์สมบัติถูกเขาไล่ออกจากบ้านต้องกลายไปเป็นขอนทานวันหนึ่งมีพระในเมืองไปที่ท่านอนัญญาอยู่ทรานอนัญญาเมื่อสอบถามได้ความว่าพ่อแม่ต้องถูกเขาไล่ออกจากบ้านไปเป็นขนก็ตกใจเก็บบาน เมื่อไปดูที่บ้านกลายเป็นของคนอื่นก็ติดตามว่าหลวงพ่อแม่ก็ว่าไปเป็นคนทานแต่ว่าเราคงต้องลาสิกขาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝังธรรมป็นขั้งสุดท้ายในเพศของสมณะพระพุทธเจ้าทรงทราบในตอนหนึ่งก็แสดงธรรมว่า ลูกแม้เป็นพิสุอยู่ก็สามารถจะเลงพ่อแม่ได้นาจิยาก็ดีใจว่าเออเราไม่ต้องลาศิกขาแนะ้เป็นพระเลี้ยงพ่อแม่ได้ออติดตามดูว่าเห็นว่าไปเป็นขอทานขอทานทีนเดียก็มากไปเดินไปดูวันแล้ววันเล่ายังหาไม่เจอตอนที่สดุดวันหนึ่งก็มาเจอ พ่อแม่เป็นขอทานอยู่นินทางท่านก็กลับคลายคลับคลาว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะร่างกายที่เคยหน้าตาผิวพรรณผ่องใสกลายมาเป็นหมดหมองเสื้อผ้าเก่าขาดรูปร่างก็สูบเสียดสูบซีดลงไปท่านก็เลยเดินข้ามามองพิจารณาใกล้ๆส่ายพ่อแม่ ก็เข้าใจว่าพระมาบินธรรมา์ท่านเป็นพระทุดงมีบาทมีก้กวาคุณเจ้านีมนไปโปรดที่เถุดเจ้าไม่มีอะไรจะใส่ฝาทหรอกพอได้ยินเสียงได้จำเสียงได้เสียงเป็นสิ่งที่จำได้ได้พระนริยะก็จำได้ครัเป็นพ่อแม่กูแต่ท่านก็พูดไม่ออก นึกถึงว่าพ่อแม่เคยอยู่สุขสบายกลายมาเป็นคอทานนึกถึงตัวท่านก็จากไปส0บกว่าปีไม่เคยกลับมาเยี่ยมท่านก็พูดไม่ออกท่านก็ยืนนิ่งปรายโยกทั้งสองก็เหนพางไม่ยอมไปนึกว่ามาตือบินทำบา ก็ลเลยพลานาเรื่ยไปพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะใส่บาตรเนากเป็นสมัยก่อนที่ยังเป็นเศรษฐีอยู่ก็พร้อมที่จะทำบุญทำทานให้แต่หลังจากลูกชายของข้าพเจ้าออกบวชหายสาบสูรไปเป็นเวลานา น, นไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดี เจ้าก็ถูกเขโกงทรัพย์สมบัติถูกเขาไล่ออกจากบ้านก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเป็นขอทานบางวันก็ได้อาหารกินบางวันก็ไม่มีอาหารจะกินหมดมื้อกินมือนม้อนี่ดนั้นไม่มีอะไรจะให้ท่านไม่มนไปโลดได้อื่นท่านพระนันทิยาได้ฟังไปยิ่งสะถ้อนจิตใจ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 นานความรู้สึกอึดอัดจิตใจก็มากลนท่านก็ไม่สามารถจะแป้นน้ำตาไม่ได้น้ำตาของพระก็หลั่งไหลลงมาเป็นโอกาสที่สองสามีภรรยาเห็นพระไม่ยอมไปไหนก็เลยเงยขึ้นมองพิจารณา ยืนพระมายืนน้ำตาไหลพิจารณาไปพิจารณามาก็จำได้ว่าเป็นพระลูปชายสนะองคนก็ไม่ฟังเสียงก็โผเข้ากอดนะกอจับเท้าขาจีนไว้ละลำละลักถึงความ ตลอดระยะเวลาพ่อแม่เป็นห่วงนอนก็คิดถึงลูกความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะลูกโตขนาดไหนยังไงก็ยังเป็นห่วงอยู่ดี mm hmm. ยามเปียเท่าไม่เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้ไมยเจ้าเฝ้ารักษายามถึงวันตายวายชีวา ความเพียงเจ้าช่วยปิดตาครายสุดใจความห่วงความรักของพ่อแมอ่ไม่มีที่สิ้นสุดบางคนแม่ลูกอยากช่วจะชาติติดคุกติดตารางคนทั้งหลายบรรนานเป็นโจรมหาโจรแต่คนที่จะไปเยี่ยมในคุกก็คือพ่อแมอ่บางคนเป็นนักโทษไร้แหลง่ง ประหารชีวิตคนทั้งหลายทั้งประเทศก็ปัญหาแต่คนที่จะเห็นใจคนที่จะไปรับศพก็คือแม่คือพ่อเนี่ยความรักใดไหนจะแน่เท่าแม่รผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงเล่าหรือจะเท่าห่วงดังดวงใจ ที่แม่ให้กับลูกอยู่ตรงข้านั่นพระคุณของท่านยิ่งใหญ่พระคุณใดใครเล่าเท่าพ่อแม่จะรักเราเที่ยงแพ้เกินท่านได้สระสุขทุกทน ท, นทีขาดใจยังทนไหวไม่ท้อพ่อแม่เรายามลูกทุกแม่สะท้อนนอนสะอื้นพ่อก็กลืนน้ำตาอุราเศร้า เป็นลูกทำเพื่อลูกเป็นลมเหนาหวังเพียงเจ้าลูกทุกคนผลหวงภยัยตั้งแต่เล็กรอดผลจนเติบกลา้าเสียน้ำตาให้กับลูกไปเท่าไหร่ไม่เคยคิดทวงคืนประการใดมีแต่ให้มีแต่ห่วงดวงชีวาและคุณท่านนั้นมากล้น ตนมิอาจะประกาศและแทนคุณให้สมค่าทั้งสมุดสุดแผ่นดินสิ้นลพาบวกชีวิตยังน้อยกว่าค่าน้ำนม ทิยาได้สติทั้งก็บอกกับโยมพอโยมแม่ว่าโยมทั้งสองต่อไปธรรมาก็จะไม่จากโยมไปอีกแล้วก็ได้พาโยมทั้งสองไปหาที่พักอาศัยจากนั้นทั้งก็ มาก็นาําหารนันมาให้กับบิดาบรรดาได้รับประทานส่วนที่เหลือทั้งก็เอาไปฉันบางวันอาหารได้น้อยทั้งก็ให้บรรดาได้รับประทานท่างก็ยอมอดและทำอย่างเนี้เรื่อยๆมาเนี่ยร่างกายของพระเนรทิยะก็ผิดไปเพื่อนก็ ว่า น, นันทญาท่านเป็นอร่อยไปดูท่านพอมลงไปทุกวันท่านก็บอกบางวันผมไม่ได้ชันหรอกอ้าวทำไ ม, มเพราะว่าอาหารเนี่ยที่บิดามาดมาให้พ่อแม่ได้รับประทานบางวันอาหารน้อยก็เลยยอมลเพื่อนพิสูุนก็จำไดิว่าท่านอาจจะต้องไปทำลายศรัทธาไทย บุญของญาติโยมเขาต้องการจะถวายพระให้พระได้ฉันเขาต้องการบุญกุศ ล, ลนั่นเอหารไปให้พ่อแม่หมดนั่นทําลายศรัทธาไทยหลายบุญของเขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปฟ้องกุฎเจา้กจ า, จากุมเจ้าก็จึงได้เรียกตัวพระเนจิยะเขาเ้าเฝ้า ถามว่าดูก่อนอันทิยะได้ทราบเธอบินตบาตอาหารมายังไม่ได้ฉันเอาไปให้คารวาจจริงเลยจริงพระพุทธเจ้าข้าใครหรือี่เธอนำไปให้โยมบิดามันดาผู้บังเกิดข้าพระพุทธเจ้าค้าแต่ันที่พรธเจ้าจะส่งตําหนิงระองคกับสารถู เธอได้ทำดีแล้วความกระตันยูกะตะเวทีเป็นนิมิเครื่องหมายของคนดีแม้ใ น, ในสมัยอดีตชาติของพระองค์พระองค์ก็เคยเลี้ยงพ่อแม่ในชาติที่เป็นลิงเป็นหัวหน้าลิงมีน้องอีกคนอดีต าสาไดบุกไปเป็นน้องพี่น้องกับมีบริวารลิงจำนวนมากก็ดูแลบริวารส่วนพ่อแม่เนี่ยตามบอดิงตาพ่อแม่ตามบอดแต่ว่าหัวหน้าดิงเนี่ยกม็มัวดูแลลูกน้องบริวารแต่ก็ให้บริวารอาอาหารไปส่งทุกวัน ให้อ า, อาหารไปส่งให้พ่ อ, อแม่เกจรา่าก็ปรากฏว่าไอ้ลิงที่รับอาหารไปมันก็ไปกินตัเองไม่ไปส่งพอหลายวันวัวหน้าดิงพระพุทธสัตว์กลไปเยี่ยมเห็นแม่ผอมพ่อผอมไปหมดถามว่าทําไมผอ ม, มไม่ได้กินอาหารคือฝากมาให้ทุกวันไปนไหน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 พ่อแม่ไปหากินที่ต้นไทรใหญ่ปรากฏว่าวันนั้นนดยพรานเรียนวิชามาจากตักกริสลาแล้วก็มาเป็นนายพรานออกลาสัตว์วันนั้นหาสัตว์อะไรไม่ได้เลยโกรธมาเจอต้นไทรใหญ่ก็ถือธนูมาเลยเจออะไรก็จะยิงทั้งหมดาฟลิง พวกเป็นพระโพธิสัต์เห็นนายพานถือธนูมาเช่นนั้นต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นลิงแก่มากาะนะเขาคงไม่ยิงหรอกแก่แล้วไม่รู้จะเอาไปทําไมก็ตัวเองก็เลยหลบซ่อนพี่น้องสองคนหลบซ่อนปรากฏว่านายพานใจโหดเห็นลิงแก่ก็จะยิง มาพี่มาพระโพธิสัตว์ยิงพระโพธิสัตว์นั่นองค์พี่เห็นเขาจะยิงแม่ก็ก็เลยออกมาบังเอาตัวบังไปเนีนก็บอกว่าอย่ายิงแม่ฉันแม่ฉันแก่แล้วยิงฉันดีกว่าทำไมน่ามพูดดันได้ดูเรงบอกว่าอย่าย แล้วไม่พูดไม่รู้แต่มันออกมาบังบังแม่ไว้ใน่านไม่ฟังเสียงยิงยิงริงองพี่ล่วมลงมาตายจากนั้นก็เหงือกธนูจะยิงริงยิงแม่น่ิงองน้องก็ออกมาบังอีกพยายามก็ยิงองน้อง ดังนั้นก็ยิงยิงลิงรูปเป็นพ่อเป็นแม่ตายหมดเลยร่วมด้วยอำนาจของกรรมอันนั้นในภาคนั้นทำบาปทำกรรมกับผู้ที่เขาก็ลังดูแลพ่อแม่เขาเขามีคุณธรรมแม้ก็จะเป็นสัตว์เดาีาดแผ่นดินรับไม่ได้ลงจากนั้นไปก็ถูกแผ่นดินสุ เรียว่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้าก็มีความประตันอยู่กับดวพธีนั้นพระพุทธองค์จึงต ร, ร, รัสสรรเสริญของผู้มีความกระตันอยู่กันต์ตแล้วก็ได้แสดงธรรมจนนันทยะบรรลุเป็นโสดาบัตเป็นอริยบุคคลคนที่มีความประตันอยู่กับดวพิธีจะเป็น แต่ผู้มีความเจริญอย่างใครที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีความเจริญเราอาจจะบางท่านก็พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วลหลงรับดับขันไปแล้วก็สดวิสัยในโอกาสวันเดือนแห่งวันแม่วันถึงใครที่ยังมีพ่อมี เราเคยร่วมเกินไว้ไกายวัวาใจใจก็ขอเลี้ยงดูท่านจ้างอาหารเสื้อผ้ายุบยาที่อยู่อาศัยส่งเสียเลี้ยงน้าใจด้วยก็คือต้องเยี่ยมเยียนตล อ, อดบางทีความสุขของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่น้ําใจของเ ร, เราได้ดูแลเราได้ให้ ความสุขของพ่อแม่ก็มีขึ้นนั้นกราบเท้าขอขอมาลาโทษในโอกาสเดือนแห่งวันแม่่ใครที่พ่อแม่ลงรับไปแล้วน้อมใจกราบผ่านพระพุทธพระธรรมประสงค์ํำลึกถึงพระคุณของท่านแล้วเราก็จะปฏิบัติตนเองให้ดีในฐานะ เรลือดเลือดที่พ่อแม่ให้าเอาสมบัติมาทาความดีให้ยิ่งขึ้นก็เป็นการประกาศเหยียดที่คุณความสุขความเจริญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการคุณงามความดีที่ได้ทานี้จงเป็นทีัยสเป็นปัจจัยให้บังเกิดขึ้นมีความสุข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 ส่วนของทานน้ำใจบุญสําเร็จจากการให้ทานวัตถุสิ่งของต่างๆก็เป็นบุญกุศลเป็นสเสบียงติดตัวเราไปในสัมภายภพบเบื่องหน้าไม่อดไม่อยากไม่ยากจนคําว่าไม่มีจะได้ไม่ปรากฏในส่วนของบุญจากการที่เราได้สมาทานไตรสนาโคม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 โดยทั่วน้ากันทุกท่านเธอดยะทาวาริวะหาปุราปริภูรินติสาครังเอวะเมวอิโตตินังเปตันังอุปกปติอิเจตังบดิตังตุมหังกิปเมวสมิจตุสัพเพุูรินตสังกปาจันโทปนรโสยถามิโชติลโสยะทัสสพิโยอวัชันตุ สัพโรคโคณัสตุมาเตภวัตวันตาราย ο, สุขีธีคายุโกภวพิวาทนาสีเรสนิจังอุทาปัจัยโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุมโนสุขังภะลา